ธรรมบทใดาหากถูกกับจริต แม้เป็นเพียงธรรมะบทสั้นๆแต่สามารถนำมาแก้ไขจิตใจคือชําระกิเลตได้ก็ให้ถือเอาธรรมะบทนั้นพระยานสิทธิจารหลวงปู่สิมพุทธาจารโร การเจริญสติเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรให้มากไม่ต้องใช้ความคิดเลยก็ว่าได้เพราะสติเนี่ยเป็นเพียงแค่พ้ที่รู้สึกเนี่ยรู้ในอาการต่างๆถ้ามีรู้แล้วก็ไม่ต้องมีความขึ้นมาบางท่านอาจจะล่วงหน้าไปก่อนว่าเราจเจริญสติเนี่ยมันจะได้อะไรทาแล้วจะได้อะไร อันนี้ละมันเริ่มต้นด้วยความอยากว่าจะได้อะไรจากการเจริญสติแล้วเนี่ยสติก็จะไม่เกิดขึ้นจะมีความอยากนำหน้าเป็นเรื่องของตัณหาอันนี้มันไม่ใช่สติการปฏิบัติธรรมเนี่ยการเจริญสติเนี่ยเน้นเรื่องละความอยากเพราะว่าความอยากเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์ปฏิบัติเพื่อจะละความอยากขอแค่เพียงรู้สึกตัว มันถ้าอาจจะคิดว่าวิธีนี้มันถูกต้องไหมทำไปแล้วนี่มันจะดับทุกข์ได้หรือเปล่าจะเป็นเรื่องไร้สาระหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความคิดมากเกินไปเราไม่ได้เจริญสติเสียแล้วเราไปเจริญความคิดเมื่อเราเจริญความคิดความคิดก็ย่อมเจริญสติก็จะหายไปอันนี้ก็ไม่ใช่ทางเริ่มต้นก็ผิดเสียแล้วเมื่ออย่างกับเรือล่อมเมื่อออกนยะ ไม่ใช่เรือล่มมาจอดนะเพราะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากไม่ต้องใช้ความคิดตอนนี้เราไม่ต้องการจะคิดเราคิดมามากแล้วเราลองมาเจตนาที่จะรู้สึกตัวลงไปเลยลงไปที่กายของเราเนี่ยเจตนาเคลื่อนไหวกายชา้ชาๆแล้วก็รู้สึกตัวตามลงไปผู้ที่ทำใหม่ๆ ต้องเจตนาเคลื่อนไหวแล้วก็เจตนาที่จะรู้สึกตัวลงไปคําว่าเจตนาเนี่ยก็คือความเพียรเราต้องเจตนาสร้างขึ้นมาก่อนจะให้สติเขาเกิดขึ้นมาลอยๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะาชีวิตของเราเนี่ยไม่ค่อยทําอะไรให้เกิดสติมักจะหลงลืมสติเป็นพื้นฐานธรรมดาของชีวิตเราจะไปจะต้องสร้างขึ้นมาก่อน สร้างตัวรู้ให้มันเด่นให้มันชัดกายเคลื่อนไหวก็ให้รู้สึกตัวเอากายเป็นหลักก่อนเพื่อสติจะได้มั่นคงเข้มแข็งมีหลักในการเกาะมีหลักในการเดินรู้สึกตัวไปที่กายเคลื่อนไหวรู้ง่ายๆรู้เบาๆบางๆอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องจะทำให้ใจเรานี่เครียด เพราะใจเราเนี่ยไม่ต้องการให้มีอะไรมาบาังคับให้รู้เบาๆวิธีการเคลื่อนไหวของกายสังเกตดูความคิดเรามีความคิดอะไรไหมถ้ามันไม่คิดก็ดีแล้วเราก็คงจะรู้ที่การเคลื่อนไหวของกายต่อไปเรื่อยๆบางครั้งมันก็ย่อมมีความคิดเเรื่องธรรมดาเราห้ามไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เรามีปัจจุบัน อยู่กับการเจตนารู้ลงไปที่การเคลื่อนไหวของกายเป็นการฝึกสติเป็นพื้นฐานแต่ว่าความคิดเนี่ยย่อมมีแท้ขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาระวังให้ดีนะความคิด เ, เราไม่ได้เจตนาคิดมันมักจะคิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดอยู่เสมอๆระวังตัวนี้ให้ดีให้เรารู้ทันในความคิดซะเพราะว่าความคิดเนี่ยมันสร้างพบสร้างชาติและชีวิตของเรา กรรมต่างๆเกิดจากความคิดภบชาติต่างๆเนี่ยมันเกิดจากความคิดในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราคิดดีก็เป็นภบชาติที่ดีเมื่อคิดไม่ดีเนี่ยอันี่ภพชาติไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจเราแล้วแล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามที่เราคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบดีว่าคิดดีเป็นพบชาติที่ดีคิดไม่ดีเป็นพบชาติที่ไม่ดี ให้เราเจตนาคิดแต่ในสิ่งที่ดีๆแต่อย่างว่าแ่ะจะคิดดีหรือคิดไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกรรมของเราเราสะสมเรื่องความดีไว้มากๆทำดีไว่มากๆพูดดีไว้มากๆคิดดีไว้มากๆเนี่ยชีวิตในปัจจุบันเนี่ยย่อมจะคิดแต่สิ่งที่ดีๆอันเนี้ยความคิดขึ้นอยู่กับการสะสมของกรรมเก่าในอดีตโดยเฉพาะคนเราเนี่ย สิ่งที่เห็นได้ชัดในความคิดก็คืออะไรก็คือความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องความอึดอัดขัดเคืองคุนเคืองใจท่านผู้ฟังมีไหมความคุนเคืองใจจะเรื่องอะไรก็ตามจะบุคคลรอบข้างก็ตามเนี่ยมักจะทำให้เราต้องคุนเคืองใจอยู่เสมอๆไอ้ความคุนเคืองใจเนี่ยมันคือความคิดชนิดหนึ่งที่นํนำพาจิตใจเราเนี่ย ลงสู่อบายภูมิคือนรกภูมิให้เรารู้ให้ทันในความคิดที่มันไม่พอใจเนี่ยลราก็เอาชนะให้ได้เราสะสมเรื่องความไม่พอใจไวมากตั้งแต่อดีตชาติกระทั่งปัจจุบันชาติเขาก็มาส่งผลในปัจจุบันเราจะคุณเคืองใจไปนานขนาดไหนถ้าเราเอาชนะไม่ได้เนี่ยพบชาติต่อไปเนี่ย เกิดมาใหม่ก็ต้องมีอาการไม่พอใจตลอดไปเป็นภพชาติที่ไม่ดีเราจะไม่เอาชนะในปัจจุบันนี้หรือถ้าปัจจุบันเอาชนะไม่ได้เนี่ยอนาคตเนี่ยมันก็เป็นไปได้เราเริ่มต้นเอาชนะได้ในความคิดเสดต่บัตรนี้โดยการมีสติระลึกรู้เอาไว้รู้ที่มันคิดในความไม่พอใจแล้วก็ทิ้งความคิดนั้นซะเนีย่ยผู้เป็นบัตรใหม่ๆนะต้องทิ้ง ในความคิดกลับมาเจตนารู้ลงไปที่การเคลื่อนไหวของกายอันนี้คือทางเดิมของเราคือเจตนารู้กายสนใจที่กายเคลื่อนไหวให้มากๆอย่าเป็นสนใจกับความคิดจะรู้สติแข่งกับความคิดไปเลยอันนี้ผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยทาอย่างนี้ก่อนส่วนผู้ปฏิบัตินานแล้วรู้จักเข้าใจบ้างก็ให้ดูความคิดดูเบาเนี่ย ดูห่างๆอย่าเอาความคิดเป็นเราอย่ามีตัวเราในความคิดเดี๋ยวความคิดมันก็ดับไปโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปอยู่ในความคิดเราเอาชนะความคิดโดยการที่ไม่ห้ามความคิดแต่ว่าไม่เข้าไปอยู่ในความคิดเป็นผู้เห็นความคิดจิตก็จะหลุดพ้นออกมาได้เองอันที่จริงแล้วเนี่ยความคิดเนี่ยเปรตเสมือนแขกเหมือนอาคันตุกะเขาไม่เยือน จิตเราในชั่วคราวเท่านั้นอยู่ได้ไม่นา น, นแขกพวกเนี้ยเขาก็จะเอาเรื่องเก่าๆพอเขาหน้าเก่าๆ เ, เอาเรื่องเก่าๆมาหลอกลวงเราเนี่ยเราก็อย่าไปเชื่อขึ้นชื่อว่าแขกแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไม่นานห่ะแขกเขาผ่านมาและเขาก็ผ่านไปอย่าไปยึดมั่นถิ่มั่นกลับมารู้สึกตัวเข้าไว้เนี่ยจะปลอดภัยกว่าคอยเรา ปฏิบัติจิญสติต่อไปเรื่อยๆทำที่ไหนก็ได้เรามีสติอยู่ที่ไหนธรรมะเกิดขึ้นที่นั้นมีสติอยู่ที่บ้านธรรมะก็เกิดขึ้นที่บ้านมีสติอยู่ในรถยนต์ธรรมะก็เกิดขึ้นในรถยนต์มีสติอยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ในห้องคาราโอเกะธรรมะก็เกิดขึ้นที่นั่นได้ เ, เพราะฉะนั้นจะไปไหนๆก็ตามเนี่ยอย่าลืม อย่าลืมสติพกสติติด ต, ตัวไปด้วยเนี่ยเราจะโชคดีสมดังพุทธภาษิตกล่าวไว้ว่าคนมีสติเท่ากับมีสิ่งนำโชคอยู่ตลอดเวลาแต่จะนำโชคอย่างไรขนาดไหนนั้นลองลองฝึกสัมผัสดู